ก่อนที่หลวงพ่อจะให้สินหลวงพ่อจะทําความเข้าใจให้พวกเราท่านทั้งหลายเรื่องของศิลก่อนเพราะว่าก่อนที่พวกเราจะสมาทานสินหรือรับสินก่อนที่พวกเราจะรับเอาอะไรเข้าไปสู่กายวาจาใจของพวกเราพวกเราก็ควรจะทําความเข้าใจกับสิ่งนั้นให้ถี่ถ่วนซะก่อน เพรานั้นก่อนที่จะรับสินทุกครั้งแลงก่อนที่จะรับสินต้องรู้เรื่องของศินแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อก็คิดว่าพวกเรากคงเคยรับสินมาหลายครั้งต่อหลายหนแต่จะรู้เรื่องในรายละเอียดของสินนั้นหลวงพ่อก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าจะรับเป็นพิธีเสียมากกว่าเพราะทุกครั้งที่ไปก็ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านไหนที่จะอธิบายเรื่องของสิลให้แก่ ศรัทธาญาติโยมหรือว่าลูกหลานได้รับรู้รับทราบวศตถิ์มีคุณค่าและมีประโยชน์อะไรเพราถือกันมาตั้งแต่โบราณโบราณพอถือกันมาแล้วก็พวกเราก็ถือปฏิบัติถือทอดกันมาเรื่อยๆแต่ก็บางทีบางครั้งก็ถือว่าเป็นของคือของล้าสมัยเสียด้วยซ้ำไปเพราะว่า <c oughs> ไม่รู้จะรับไปทาไมศิลป์ก็ว่ากันตามกันไปเข็น <c oughs> เป็นประเพณีเท่านั้น แต่ตามไจริงศีลมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศี น, นั้นมีประโยชน์อย่างมากทังว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติตามแล้วจะมีคุณค่าอย่างอันดับแรกหลวงพ่อจะได้กล่าวนัโมตัสสะปะคะวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะความหมายก็คือข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็คือ สินที่พวกเราจะรับนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาในเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาพวกเราจะนับถือและ ว, ว่าปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนข้าพเจ้าพวกเราก่อนและลึกถึงพระคุณผู้ต้นต่อผู้ต้นคิดผู้ต้นบัญญัติคือพระพุทธเจ้าซะก่อนว่าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศิลนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อโลกอย่างมากแต่หาว่าโลกทั้งโลกขาด ศีลธรรมขาดคุณธรรมศีลธรรมแล้วโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแลว้วว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงเพราะนั้นข้าพเจ้าจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนจะงหวัด น, นโมตัดสะสมจบจากนั้นก็พุทธทางสรารนางังคัจฉามิธทมมังสังขังข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรารนะเป็นที่พึ่งดูตียังปีพุทธทางทำบางสังขังสรานางคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองตติยัมปีพุทธังธรรมังสังขังสราราคักฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สยืนยันถึงสามครั้งว่าจะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์สินปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทถังสัมมาทิยามิข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ คาว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็คือให้พระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงให้คิดดูคิดดูให้ดีการฆ่ากันไม่เป็นผลดีถ้าเขามาฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าพ่อฆ่าแม่เราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าหลานเขาล่ะเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะสํานึกได้ว่า การฆ่ากันไม่เป็นผลดีเพราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงมั่นยัดสินข้อที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเห็นแต่ฆ่าคนอื่นนะไม่คิดว่าเขาจะฆ่าเราความรู้สึกของเขาของเรานเป็นอย่างไรถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วการฆ่ากันไม่เป็นผลดีถ้าเขามาฆ่าเราเราเสียความรู้สึกอย่างมากเป็นการดูถูกเกลียดหยามเป็นการเอลังเกียรติโลาเป็นการดูถูกเราอย่างแรงอเพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ตั้งใจพิจารณาดูกันแล้วกันสินข้อที่หนสินข้อที่สองอธินาทาน า, า, นาเว ร, รมณอีอย่าไปขโมยของคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยของคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราละ่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะนั้นการขโมยกันไม่เป็นพ้นดีใช่ไหม เ, เราก็ตอบแปลว่าใช่ การขโมยไม่ใช่ขโมยธรรมดาขโมยลูกของเขาล่ะขโมยสามีพัญญาของเขาล่ะขโมยลูกของเขาเป็นยังไงถ้ามาขโมยลูกของเราจะเป็นยังไงในสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดดูการขโมยกันไม่เป็นผลดีเพราะนั้นศิลของพระพุทธเจ้าข้อที่สองทางว่าเรารักษาดีแล้วความสงบร่มเย็นเป็นจุกก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมนั้นนะสินข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี ไม่ให้ประพฤติผิดในกามสามีพัญญาของใครเขากรักสมหวนหวงแหง่งลูกของเขาเขาก็รักถ้าเราไปล่วงล้ำเขาละ่ะไปล่วงล้ำอธิปไตยของเขาละ่ะเขาเสียความรู้สึกถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราไปเสียใจเสียความรู้สึกอย่างมากเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติถึงข้อที่สามอย่าล่วงล้ำซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหม ถ้าพวกเราคิดดูให้ดีถ้าไม่เห็นแก่ตัวมากเกินไปพวกเราบอกผมว่าดีนะอันนี้คือสิ่งข้อที่สข้อที่สมุสาวาทาเวรมณีการไม่โกหกคนอื่นถ้าเขามาโกหกเราโกหกไม่ใช่ธรรมดาโกหกถึงเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สมบัติมากมายก็มีถูกต้มถูกตุนมีมากต่อมากที่คนถูกต้มถูกตุน๋นก็คือโกหกนั่นแหละสาเหตุแห่งการโกรหกหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าเราไปโกหกเขาก็เราก็หัวเราะได้แต่เขามาโกหกเราละ่ะเราเสียใจอย่างมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติข้อที่สอย่าไปโกหกซึ่งกันและกันข้อที่ห 5, สุราเมรยามะชักพม่พมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วทำให้เสียจิตเสียความรู้สึกผิดปกติขาดสติ เพราะเหตุไรเพราะมันเมาเหล้าเพราะคนเมาเหล้าคนขาดสติแล้วสามารถที่จะทําความชั่วในทุกอย่างใช่ไหมอันนี้พวกเราก็คงจะไม่ปฏิเสธสามารถที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าลูกฆ่าเมียได้ทุกอย่างใช่ไหมฆ่าคนอื่นได้ไหมขโมยของคนอื่นได้ไหมเอาเพื่ผิดในการมได้ไหมมุสาโกหกได้ไหมคนที่ขาดสติได้ทั้งนั้นเพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้า ทั้งห้าข้อถ้าเราพิจารณาโดยเป็นธรรมนะจิตใจเป็นกลางนะจนานาโดยเป็นธรรมแล้วศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและสังคมแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นแก่ตัวนะฆ่ากะช่างแล้วฆ่าคนอื่นแต่เขามาฆ่าตัวเองนะมีความรู้สึกยังไงอ น, นไม่ต้องคิดเหนั้นแ ต, แต่พอมาเจอกตัวเองกร้องหูร้องให้ทั้งวันทั้งคืนนะมันเป็นอย่างนั้นมนุษยชาติของเราเห็นแก่ตัว เพราะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติศิล5้าข้อในสําหรับอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็คือโยมผู้ชายบาสิกาคือคือโยมผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายคือเป็นสินสินหนะ้าพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นโยมนะอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาสินห้าคือศินอุบาสกอุบาสิกาศินสองี่สิบก็คือสินของพระสงฆ์นะเพราะฉะนั้นพวกเรา คือจะรับสินคือสินห้านี่ยคือศิลอุบาสกอุบาสิกาเมื่อเรารู้คุณค่าของสินแล้วนะหลวงพ่อ ก, ก็จะเป็นผู้นําให้ศิลพวกเราก็จะมาทานสินต่อไปนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสา นิปันจะสิก้าปธานิสีเลนะสุขติันติสีเลนะภกะสัมปทาสเลนะนิภูติันติตัมาสีลังวิสยตุโมตสสวตรสมสมุทสสะอโมตสสพวตุรสมสมุทัสสะ รามาเจลก า, าติปฏิสังปฏิปัตัญชลอันติวรธาธาะไยะต า, าชังสัตทสันตาปราชปัจเกิธทคมิังังเอาต่อนี้ไปลูกหลานทั้งหลายให้อยู่ในความสงบห้ามถ่ายรูปนะถ้าใครจะถ่ายรูปให้ถ่ายได้เดี๋ยวนี้ท่านหลงพ่อพูดไปแล้วห้ามถ่ายรูปและห้ามคุยกันปิดโทรศัพท์มือถือ ถ้าใครมีถ้าว่าใครมีธุระที่จะต้องพูดกันออกไปอยู่ข้างนอกเทนีเป็นที่ฟังพอเวลาของหลวงพ่อไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดได้ง่ายๆนะภาระของหลวงพ่อมีมากมายจากเมื่อวานนี่ก็หลวงพ่อไปนู่นไปคารวะองค์หลวงตา ม, มหาบัวพระเป็นเป็นหลายพันกลับมาเกือบมาเป็นทุ่มสองทุ่มนะฝอยนั้นภาระของหลวงพอ่อ ก็จะว่างไปแล้ว ก, ก่อนที่จะมาหาลูกหลานได้ก็ไม่ใช่คิดสนุกสนุกแล้วก็มานะเะพราะมีภาระในวัดของหลวงพ่อพอสมควรอยู่แล้วก็วันนี้เมื่อตลวงพ่อกูดจบแล้วนะหลวงพ่อมีป่าลำไยมีสวนลำไยนะสวนลำไยนาคําน้อยเหลืองจะให้ลูกหลานได้ชิมลำไยของหลวงพอ่อหลวงพ่อเตรียมเอาไว้ให้อยู่น ะ, ะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อจะแจกเอ็มพีสาเอมพีสามที่หลวงพ่อได้ นัดเอาไว้ที่เอามาแจกในสถานที่ต่างๆคือหลวงพ่อเนี่ยตะก่อนก็ไม่เคยมี MP3 มไม่เคยที่จะอัดเทศนะกับเมื่อปี48ที่ผ่านมาปีนี้คือปี50ใช่ไหมปี48หลวงพ่อได้อัด MP3 แจกญาติโยมเพราะเนื่องจากนักศึกษาแพทย์มห ah ิดลจิริราชเขามาบวชหลวงพ่อก็ได้เทศนะอบพรมพออบพรมแล้วก็ ถ้าทาให้อบรมเป็นชิ้นเป็นอันว่างั้นะจากนั้นก็เลยได้พระก็ได้อัาน g 3็จากนั้นกไ็ได้แจกลูกหลานเนี่ยนะคนนั้นวันนี้ก็คิดว่าจะได้ถือมาด้วยนะแต่หลวงพ่อทั้งหมดมีอยู่สิบแผ่นสิแผ่นแต่ว่าวันนี้เอามาสองแผ่นเอามาให้ลูกหลานถ้ามีโอกาสว่างๆกลับไปถึงบ้านถึ่งเรือนตกตอนเย็นกลางคืนแล้วนั่งรถไปไกลๆนะ ก็นั่งฟัง MP3 ไปด้วยหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์พวกเรามีแต่ร้องลำทำเพลงฟังร้องล้ำทำเพลงมานานแล้วฟังเสียงพระสอนพระพูดพระอบรมบ้างนะถ้าว่าพวกเราจะจะเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีชีวิตมีคุณภาพแล้วก็นั่นอ่ควรจะฟังพระหลวงตาหลวงปู่แนะนำสั่งสอนบ้างก็จะดีหลวงพ่อว่านะ เพรหลวงพ่อจึงเอมพีสมาเพื่อจะให้แจกลูกหลานเพื่อจะได้ศึกษาธรรมะแนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเรื่องศี่ห้านั่นแนหะละเป็นแนวความคิดของพระพุทธเจ้าเป็นแนวความคิดของพระพุทธศาสนาเป็นยังไงจริยธรรมความประพฤติใจเขาใจเราถ้าว่าเรามีความรู้สึกยังไงคนอื่นเขามีความรู้สึกอย่างไร เพราะนั้นเราต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะอันนี้คือหลักศีลธรรมต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะว่าไปหลักศีลธรรมคือเหมือนหลักกฎหมายนะั่นกฎหมายบ้านเมืองที่เขาทํากันนะที่เขาบัญญัติขึ้นมาอีกบนที่ใช่บนที่1 8บแเก้เป็นวันลงมติรับร่างรัฐธรรมนูนรับหรือไม่รับแนตะ่ที่เขาประกาศกันแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่ากฎหมายรั ฐ, รฐธรรมนูนเนี่ย ที่จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้คนในชาติต้องมีหิริกโอตปะถามว่าคนในชาติไม่มีหิริกโอตปาสองอย่างเท่านั้นนะกฎหมายที่ตั้งมาละเอียดละออขนาดไหนมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ว่างั้นเหรเพราะอะไรเพราะคนในชาติไม่มียางอายไม่มีหิริคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวตัวบาปไม่มีแต่สามารถที่จะทําความชั่วในที่รับรายทั้งนั้นนะเพราะนั้นกฎหมายที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย ถ้าคนในชาติมีฮิลลีกับโอตตาปะสองอย่างกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ว่างั้นเหรถ้าคนในชาติไม่มีฮิลลีกับโอตตาปะสองอย่างกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ว่างั้นนะพูดอย่างนั้นได้เลยแต่ตั้งกับไม่ตั้งอันไหนดีกว่ากันตั้งดีกว่าอย่างน้อยกับคนที่ไม่มีฮิลิกับโอตตาปะมันจะไม่ไม่กล้าทําในที่แจ้งมันจะทําในที่ที่ลับเท่านั้นเองนี่ที่แจ้งมันไม่กล้าทํากฎหมายจะคุ้มครองในที่แจ้งเพราะฉะนั้น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 อโรคยาปรมาราภาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลหลวงพ่อได้มาพบกับลูกหลานโรงพยาบาลอำเภอน้ําโสมโรงพยาบาลอำเภอนามโสมถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อก็ให้ความสนับสนุนหรือว่าทางโรงพยาบาลก็ให้ความนุเคราะห์หลวงพ่อมา ตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยสมัยนั้นอําเภอนายูงหรือโรงพยาบาลอําเภอนาโยงยังไม่มีอําเภอแถบนี้ก็ยังไม่มี เ, เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเวลาพระเนนเจ็บไข้ได้ป่วยถึงญาติโยมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เข้ามาโรงพยาบาลอําเภอน้ํำสมโดยเฉพาะอย่างยิง่งคุณหมอป อ, อของพวกเราเนี่แหละ หลวงพ่อสนิทสนมมาตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ทีแรกที่มาอยู่วัดป่านาคำน้อยจากนั้นก็ได้ติดต่อประสานงานกันมาเรื่อยๆตลอดถึงเครื่องไม้เครื่องมือในอําเภอน้ำโสมโรงพยาบาลถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อก็ได้ช่วยเครื่องมืออยู่หลายชิ้นอยู่เหมือนกันสมัยโรงพยาบาลอาเภอน้ำโสมยังไม่มีโทรัพย์แต่ทุกวันนี้ความรู้สึกว่า ผู้ฟูรูปลำรวยขึ้นมาแล้วหลวงพ่อก็ได้ช่วยไปทางอื่นนะเพราะหลวงพ่อเองไม่เคยแต่ก่อนที่หลวงพ่อมาดูที่หลวงพ่อเข้ามาใหม่ๆ เ, เวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยในสมัยนั้นก็ 2,524 25นะ เ, เวลาคนเจ็บไข้ได้ปวด่วยได้นอนอยู่กับพื้นหลวงพ่อก็ได้มาเห็นเอ้าหลวงพ่อก็ทําไมพระอไม่มีเตียงให้เขานอนบ้างเอาบอกว่าเตียงไม่มีเตียง เงินไม่ไม่พร้อมครับท่านอาจารย์หลวงพ่อก็ได้สั่งได้ให้ซื้อเตียงแบบธรรมดาเนะ่ยเตียงสีเสาเปแบบีเป็นเตียงธรรมดาเตียงไม้ถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดหลวงพ่อได้สั่งมาทั้ง10บกว่าเตียงเหมือนกันนะให้แก่โรงพยาบาลจากนั่นก็เตียงผ่าตัดเตียงผ่าตัดกคงจะใช้อยู่ก็ทั้งทุกวันนี้กับมังแต่ตเขาเก่าแก่แล้วเมื่อ2ปีที่ผ่านมาขออท่นนานก็ไปมุบหมับ ม, ม, มุบหมับอยากจะได้เตียงผ่าตัดนะี เพราะว่าไฮดรอลิกมันไม่กระดิกเหมือนกันหลวงพ่อก็เลยให้ให้ใหช่างเข้ามาแก้ไขไปก็เลยใช้ยังใช้ได้อยู่หลวงพ่อเอยถ้ายัางใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนจะว่าอหลวงพ่อกําลังจนเหลือหลวงพอนั่งยองๆเหมือนหลวงพ่อคูณได้เมื่อไหร่อเมื่อนั้นยังคอยมาว่ากันหลวงพ่อจะให้ทั้งหมดนั่นแหละอ <c oughs> นี่แหละอันนี้ก็คือความไปมาหาสู่เรื่องการสนิทสนมหรือว่าการ ให้ความสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์นะอย่างเครื่องเรื่องเครื่องทําฟั น, อ ย, นอย่างนี้ที่ขอไปหลวงพอ่อเออเกิดประโยชน์หลวงพ่อก็ได้ให้มาอย่างนี้เครื่องหนึ่งยาอย่างนี้เครื่องหนึ่งของอย่างนี้หลวงพ่อก็ได้นั้นนะตามไม่จริงหลวงพ่อก็ได้ช่วยเล็กๆน้อยๆแกโรงพยาบาลของเราอยู่แต่จะว่าเป็นที่จุใจไหมหลวงพ่อก็ไม่พูดถึงขนาดนั้นด้วยหลวงพ่อก็ได้ได้ช่วยบ้างนั้นแหละอ่า แต่ก็หลวงพ่อเองก็ได้ช่วยโรงพยาบาลสูงอุดรนะแต่ศูงย์อุดรเนี่ยถึงจะเขาขอมาแต่ก็หลวงพ่อก็ได้ให้เครื่องมือหนักๆหนักๆอยู่หลายหลายตัวเหมือนกันนะก็คือเครื่องมือทีแรกกันเนี่ยเครื่องห้ามเลือดแต่เครื่องห้ามเลือดนี่ก็ตัวหนึ่งก็ล้านกว่าบาทแต่ต่อมาก็มือเครื่องอยู่ในห้อง ICU เครื่องเซนทัลมอนิเตอร์ห้อง ICU ของโรงพยาบาลสูงอุดร 2ห้องอันนี้แพงตัวนี้เครื่องละสองล้านกว่าให้ไป4ล้าน2ตัวนะอันนี้นะจากนั้นก็เครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงแล้วก็เตียงพยาบาลเนเะหล่านี้แหละหลวงพ่อก็ได้ช่วยทั้งตึกจากนั้นก็ไปช่วยทางโรงพยาบาลขอนแก่นทางโรงพยาบาลศูนย์ด้วยถ้าสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเองไม่ได้มองข้ามในการสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนนะ อย่างโรงเรียนอย่างอำเภอนณมโสมของพวกเราพวกเราก็คงจะเห็นโรงเรียนท่าโสมสมชั้นโรงเรียนนาบัวอีก3ชั้นแล้วก็โรงเรียนหลังย่อยอีกที่ปลูกขึ้นมาอีกสองหลําอีกแล้วก็โรงเรียนทางบั้นแหวงอีกหลวงพ่อก็ได้ให้ไปอีกสรุปแล้วก็คือทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงเรียนหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามทางมาโรงเรียนท่าเด็กในชาติไม่เด็กรับการรเรียนศึกษาที่ดี คนในชาติโง่เง่าเต่าตุนแล้วจะเป็นยังไงการพัฒนาประเทศชาติก็ไม่ราบรื่นนะเพราะนั้นหลวงพ่อก็มองเห็นนะการเรียนการสอนหลวงพ่อก็ไม่ได้ก้าวไกลแต่ว่าอาคารเรียนขาดตกบกพ่องพอแต่ช่วยเหลือได้หลวงพ่อก็เข้าไปช่วยแต่เครื่องไม้เครื่องมือหมอก็เหมือนกันเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์อย่างเนี้ยที่หลวงพ่อให้มากต่หลวงพ่อให้มาแล้วไปจบก็มอบให้แก่โรงพยาบาลขอให้โรงพยาบาลเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ สำหรับรักษาพยาบาลผู้ที่มาเกี่ยวข้องพินห้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องถ้าว่าหมอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือจะรักษาคนไข้เหมือนกับอู่ซ่อมรถหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่าอู่ซ่อมรถไม่มีเครื่องมือดีพอที่จะซ่อมรถได้ถ้าว่ามีรถเข้ามารถเสียเข้ามารถราคาแพงๆเข้ามาซ่อมนะอู่ซ่อมก็มีกุญแจปัก ตายปาเป็นอยู่ไม่กี่ชิ้นจับใช้ชนขวาเจ้าของรถเราก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าเครื่องมือแพทย์ไม่ดีแต่ถ้าว่าเครื่องมือแพทย์ดีนะที่หลวงพ่อเคยด้ยินม่าอูหอู่ซ่อมรถเขาที่ทันสมัยนะเวลารถวิ่งเข้าไปปุ๊บเขาจะจับจับด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกตัวจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องขึ้นมาพอเครื่องมันเดินเครื่องท่านเองมันจะรู้ได้ทั้งหมดว่า รถคันนี้มันเสียที่ตรงไหน เ, เขาจะรู้จักจุดแก้ไขทันที อ, อันนี้แต่ว่าพวกเราเอารถเข้าไปเราก็สบายใจเพราะเครื่องมือเขาพร้อมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าโรงพยาบาลของพวกเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมหมอมีเครื่องมือพร้อมหลวงพ่อเคยคิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในท้องถิ่นของพวกเราเพราะฉะนั้นผลวงพ่อเองไม่ได้มองข้ามเรื่องโรงพยาบาล ถ้าว่ามีที่ไหนตรงไหนที่มีความจําเป็นหรือขาดแคลนนะหลวงพ่อบางทีก็อยากจนอยู่บา้างแต่มาถึงยังไงก็กัดฟันสู้ว่างั้นเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ชุมชนและสังคมให้ไปรอดให้อยู่อยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เป็นลูกหลานที่ทํางานในในโรงพยาบาลนะการทํางานให้ทำด้วยน้ําใจอย่าไปทําเปลี่ยนแต่ว่าศักวิ์าทธรรม ทำผ่านไปเป็นวันๆอย่างนั้นหลวงพ่อว่าเหมือนกับเราไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรอันนั้นก็ไม่เหมาะไม่ถูกต้องที่เราทํางานในโรงพยาบาลให้ถือว่าพี่น้องประชาชนเข้ามาบริการถือว่าเป็นพี่เป็นน้องถือว่าเป็นผู้มีพระ ค, คุณสําหรับเราก็เหตุไรหลวงพ่อเคยอบรมนักศึกษาแพทย์อบรมนักศึกษาแพทย์หลวงพ่อบอกว่านักศึกษาแพทย์พวกเราคิดพวกเราคิดดูให้ดี คิดดูให้ถีท่วนอาคารเรียนของเราที่เราเข้าไปศึกษาหลวงพ่อไม่ได้พูดตั้งแต่โรงรําโรงเรียนแเด็กปถมมัธยมหลวงพ่อไม่พูดถึงพูดเอานักเรียนแพทย์นี่แหะเมื่อเข้าเป็นโรงเรียนแพทย์อาคารที่เราเรียนอาคารเรียนหลังนั้นเป็นเงินพ่อแม่ของเราสร้างขึ้นมาใช่ไหมเราก็คงตอบว่าไม่ใช่เป็นเงินของใครเป็นเงินของรัฐบาลเป็นเงินของภาษีใช่ไหม คงจะปฏิเสธไม่ออกเงินของรัฐบาลก็คือเงินภาษีพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกหลักรวมทั้งของทุกคนด้วยรวมทั้งของหลวงพ่อด้วยว่าเงั้ยถ้าหลวงพ่อเกิดมาในยุคนั้นหลวงพ่อก็คงจะมีส่วนด้วยในยุคนั้นถ้าว่าสร้างในยุคนี้หลวงพ่อก็ต้องมีส่วนด้วยเพราะเหตุใดเพราะหลวงพ่อก็ได้เสียภาษีเหมือนกันทําไมจ้งพ่อต้องเสียที่ไหนขับรถไปไปเติมน้ํามันรถเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดหลวงพ่อได้เสียทุกครั้ง แล้วเงินเหล่านั้นมันไปไหนมันก็เข้าสู่ภาษีส่วนกลางเหมือนกันเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองันหลวงพ่อได้เสียภาษีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาคารเรียนของลูกหลานที่เรียนหนังสือนั้นลูกหลานได้ไม่ใช่เงินของพ่อแม่ของลูกหลานส่วนเดียวนะเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนสร้างอาคารเรียนให้ลูกหลานได้เรียนและเครื่องไม้เครื่องมือล่ะเครื่องไม้เครื่องมือที่ให้ลูกหลานได้เรียนได้ศึกษาล่ะเครื่องเอ็กซาเล่บ้างเครื่องตรวจเลือดเครื่องอะไรตัวมีอะไร เป็นเครื่องมือแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลมีแต่ชิ้นแพงๆทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะครูบาอาจารย์สั่งจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อจะให้แพทย์ไทยของเราไม่ด้อยกว่าแพทย์ต่างประเทศเขาเพราะฉะนั้นเครื่องมือในโลกเครื่องไหนที่ทันสมัยก็จะเอามาให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนได้ศึกษาเครื่องมือแพทย์เหล่านั้นเป็นเงินของพ่อแม่เราซื้อใช่ไหมนักเดือมแพทย์ก็คงจะตอบว่าไม่ใช่เป็นเงินภาษีเป็นเงินของรัฐบาล อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วครูบาอาจารย์ที่มาสอนละ่ะมาสอนพวกนักเรียนแพทย์ละ่ะเป็นเงินพ่อแม่เราจ้างครูมาสอนเราใช่ไหมไม่ใช่เป็นเงินของนะภาษีพี่น้องประชาชนเป็นเงินของรัฐบาลนะ เ, ะเนนย่างเอ但这样是钱的，是钱เงิน是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是ล的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是อ的，ก钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是钱的，是 ล, ล, ออลงไปแล้ว ได้เรียนจบลงไปแล้วพวกเราควรจะยกมือไหว้พี่น้องประชาชนว่าให้โอกาสข้าไปเจา้าให้โอกาสเราที่เราได้จบหมอมานี้เพราะว่าเงินภาษีพี่น้องประชาชนรวมกันเพราะนั้นเราควรจะคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดให้ไกลหลวงพ่อพูดในหลวงพ่อคิดว่าพูดไม่ผิดกันแล้วกันอ่อันนี้พูดให้นักศึกษาหรือพวกเราทั้งหลายได้คิดนะถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นพวกเราจะเห็นแก่ตัว เ, เห็นแก่ตัว เห็นพี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วก็นั่นแหละเป็นผักเป็นปลาไปหมดเป็นอาหารโอชะเข้ามาในชามในจานของตนเองทั้งหมดแต่ถ้าว่าเราคิดอย่างนั้นเข้ามาแล้วเราควรจะคิดว่านี่ภาษีพี่น้องประชาชนที่ให้เราได้ดิบได้ดีขึ้นมาได้นี่ก็เพราะว่าพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือให้อยากจะให้พวกเราได้ช่วยกัน ได้พิจารณาทบทวนไตรตรองด้วยเหตุผลลมพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นไม่ได้เข้ากระทบกระแทกชนใดส่วนหนึ่งให้พวกเราช่วยกันคิดอันนี้ก็เหมือนกันอย่างพวกลูกหลานทั้งหลายที่มาทํางานโรงพยาบาลอย่างนี้ก็เหมือนกันให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจริยธรรมคืออะไรคือความประพฤติอย่างพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าในอิติปิโสมีมาแล้ว ิทธิพิโสพระกวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาคือความรู้วิชาจารณะสัมปันโนจารณะคือความประพฤติอ่ะวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติน่ะสำหรับสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมนะอันนี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายให้มีวิชาคือความรู้และจารณะคือความประพฤติด้วยแต่ต่อมาฝรั่งฝรั่งเขาก็เลยประดิษฐ์คําพูดขึ้นมาพวกเราก็เหอภาษาฝรั่งไปอีกทีนี่ ว่า IQ คนะิว q อ q ิ q อีคิก็คือคนมีความรู้ความฉลาดสามารถเรียนรู้ได้เร็วนะอันนี้ว่า IQ สูงนะ EQ คเป็นผู้รับผิดชอบนะและเอ MQ เเป็นผู้มีนิสัยดีดั้งเดิมคล้ายๆว่าเด็กของเราได้รับการอบรมได้รับการศึกษาที่ดีมาเนี ว, ว่า MQ สูงเนะพราะนั้น IQ MQ EQ เดี๋ยวนี้เขาคิดได้ถึง8 8ินะจน H q O q อะไรมีถึงขนาดนั้นแต่หลวงพ่อไม่ไม่ขออธิบายแต่อธิบายให้ฟังก็คือว่า IQ เอ่อคือคนมีความรู้แล้วก็ต้องมี EQ ความประพฤติดูแลถ้าคนมีแต่ความรู้อย่างเดียวไม่มีไม่มีความรอบคอบอันนั้นคนนั้นจะเป็นคนดีไม่ได้ และก็เ q เป็นผู้มีนิสัยดีเป็นคนมีนิสัยดีดั้งเดิมปวบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านที่ลูกหลานทุกคนที่มาทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้หลวงพ่อว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะแต่ถ้าม า, าพวกเราคิดว่าหลวงพ่อพูดทำไมจริงว่าโชคดีพวกเราคิดดูก็แล้วกันพวกเราคิดดูเปรียบเทียบกับพวกที่เขาทาไร่ทานาทารัว้วทาสวนเห็นไหมปีนี้ฝนไม่ตกอย่างนี้ ชาวนาเขามีความรู้สึกยังไงชาวนากับพวกเราอันไหนมากกว่ากันชาวนามากกว่าชาวสวนมากกว่าใช่ไหมเมื่อชาวนาชาวสวนฝนไม่ตกจะนี้เขามีความรู้สึกยังไงเอเขาจะเอาข้าวเอาน้ําไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาที่ไหนผลที่สู่ก็ทิ้งไร่ทิ้งนาอีกไม่นานถ้าว่าฝนไม่ตกเขาก็ต้องเฮโลกันลงไปทํางานโรงงานที่กรุงเทพเอไปรับจ้างไปอะไรไปทางนู้นเขาก็ไม่มีงานอีกจะนีเะ้เพราะว่าอืมันแห้งแล้ง ไม่มีเงินเข้าไปเพราะในส่วนนั้ความยากจนก็ทะลักเข้ามาในสู่ชุมชนและสังคมสรุปแล้วก็คือพี่น้องชาวบ้านของเราเนี่ยฝากปากฝากท้องไว้กับดินฟ้าอากาศพูดอย่างนั้นได้ฝากปากฝากท้องไว้กับดินฟ้าอากาศถ้าปีไหนฝนดีพี่น้องเขาก็ลืมตาอ้าปากได้แต่ถ้าว่าปีไหนฝนไม่ดีพี่น้องก็หลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินมีแต่ความทุกข์ยากลาบาก ได้จะเปรียบเทียบกับพวกเราที่นี่เป็นข้าราชการถึงจะเป็นผู้น้อยนิดก็จริงอยู่แต่ว่าเงินเดือนออกมาออกออกมาแต่ละเดือนเดือนละเท่าไหร่ที่เราได้ใช้ถ้าจะเปรียบเทียบกับพี่น้องประชาชนแล้วพวกเราจึงดีกว่าเพราะเหตุไรเวลาพวกเราเจ็บไข้ได้ป่วยลูกของเราสามีปัญญาของเราเรายังรักษาฟีได้เพราะเราอยู่โรงพยาบาลอีกต่างหากเรารู้จักทางหนีทีไล่อีกต่างหาก แต่พี่น้องประชาชนชาวบ้านเขาถึงเชิงเขาจะรักษาฟรี30บาทก็ เ, อเออถอะเเถวก็รักษาอย่างนั้นละ่ะคล้ายๆกับว่าถ้าจะเปรียบเทียบพวกเรารู้รู้ดีว่าอะไรคืออะไรหนะลวงพ่อจะไม่ขออธิบายในการรักษาจุดนี้นะ เ, เพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบแล้วพวกเรายังดีกว่าดีกว่าพี่น้องประชาชนอย่างมากแต่ถ้าว่าแต่พวกเรา ไม่รู้จักการประมาณไม่รู้จักประมาณในการบริหารจุดนี้จุดหนึ่งที่หลวงพ่อจะขอท้วงติ่งในวันนี้นะขอทวงติ่งในวันนี้ก็คือการบริหารจัดการกับตนเองอันนี้หลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆไปโรงรําโรงเรียนครูครูเวลาครูบาอาจารย์มารับการอบรมจากหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะพูดให้ฟังเลยว่าพวกเราดีกว่าชาวบ้านมากแต่พวกเราได้รับเงินเดือนแต่เงินเดือนนั้น รัฐบาลเขาก็ให้มาเขาก็วิเคราะห์แล้วพอที่จะอยู่ได้ถ้าเปรียบเทียบกับชาวบ้านแล้วก็ไม่ห่างกันมากเกินไปถ้าเงินเดือนห่างจากชาวบ้านมากเกินไปชาวบ้านเขาก็จะเดือดร้อนเขาก็จะเดินขบวนขึ้นมาอีกเพราะนั้นพวกเราขร้าราชการระดับนี้ควรอยู่ในระดับไหนเหล่านี้เขาก็คงจะวิเคราะห์กันมาแล้วเพราะนั้นเมื่อเราได้รับเงินเดือนขึ้นมาแล้ว สมมติว่าเราไ ด, ได้รับเงินเดือนเดือนหนึ่งหนึ่ง0 0 0 0บาท่านี้เงินเดือนหนึ่งบาทเราจะใช้อะไรบ้างในเดือนนี้ค่าน้ำเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่แล้วก็ค่าภาพรวมเท่าไหร่แล้วควรจะเก็บไว้เท่าไหร่อันนี้หลวงพ่อควรจะมีส่วนเหลือด้วยถ้าเราจัดการบริหารที่ดีเราควรจะมีส่วนเหลือจาเงินหนึ่งบาท เ ด, เดือนละพันบาทนี่เหลือได้ไหมคือเดือนละพันบาทนี่เราเอาไปไว้ในธนาคารแล้วเก็บไว้สัเราไม่สนใจอันนี้คือเงินเก็บเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้เพื่ออนาคตไม่ใช่เก็บไว้ในปัจจุบันปัจจุบันเรามีใช้อยู่เดียวนี้ถ้าเผื่ออนาคตเรามีลูกขึ้นมาส า, ม, ามีเจ็บไข้ได้ป่วยส า, ม, ามีพัญญาเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านมีความจําเป็นมากๆเราก็ควรจะเอาเงินก้อนนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อันนี้เงินเก็บนะั้นมีประโยชน์ในอนาคตแต่ถ้าว่าเราไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบมีเท่าไหร่ใช้หมดเป็นนี่เป็นสินลุหลงพลังและสมาธิในการทำงานของพวกเราก็จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่ออยากจะกล่าวเตือนลูกหลานทุกๆคนให้มีวิัย ใ, ในการใช้ให้มีวิธีในการเป็นอยู่ในการใช้เงินใครๆถึงอยากจะใช้ก็ไม่ใช้ให้รู้จักเก็บนะ อันดับแรกก็ให้รู้จักหาหาอย่างไงเราก็หาได้แล้วเป็นข้าราชการระดับนี้ต่อไปก็พยายามหาไปเรื่อยๆคือว่าปริญญาตรีไม่เพียงพอเราก็ควรจะศึกษาปริญญาโทเข้ามาอีกเพื่อจะได้เงินตอบแทนสูงขึ้นไปไม่ใช่ว่าเราทํางานปริญญาตรีแล้วก็เราหยุดเพียงแค่นั้นอันนั้นไม่ถูกต้องเราควรจะตะเกียก ต, ตะกายขึ้นไปอีกชีวิตเราคงชีวิตต้องสู้นะ ไม่ใช่ชีวิตถอยชีวิตชังกระตายไม่ใช่ชีวิตของเราชีวิตต้องสู้คือหมั่นขยนันอดทนให้รู้จักหาอุตฐานะสัมปทาถึงพร้อมโดยการหาทรัพย์ระวทิน ธ, ธรรมวัฒน ธ, ธรรมมิตรตประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบัน4อย่างอุทฐานะสัมปทาถึงพร้อมโดยความหมั่นความขยนันอรคะสัมปทาให้ถึงพร้อมโดยการรักษากัญญาณมิตรตา ให้คบเพื่อนที่ดีงามสำมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอันนี้ก็คือสำหรับฆราวาสญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเียวว่าจัดว่าทิฏฐธรรมมิตรประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันอุทฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้งอมืองอเท้าสำหรับพวกพวกเราเป็นพุทธบริษัทนะให้หมั่นขยันหาเงินแล้วก็ขยัน ทําหน้าที่การงานขยันเรียนอย่างพวกเราปริญญาตรีอย่างนี้พวกเราก็ควรจะสอบแสวงหาเรียนให้สูงขึ้นไปให้ถึงปริญญาโทรหรือปริญญาเอกให้ได้ถ้าพอที่จะได้นะถ้าไม่ได้ก็เอาเราทําที่ไหนขนาดไหนก็ขนาดนั้นแต่หน้าที่การงานของเราอย่าให้ขาดตกบกพร่องอแล้วก็ทํางานไปและพร้อมกันก็อารัขาสัมปทาอย่าให้หน้าที่การงานของเราถูกตําหนิ นะอย่าให้ผู้บงังคับบัญชาตำหนิเราได้ถ้าว่าผู้บงังคับบัญชาระดับชั้นเกินไปตำหนิเราตำแหน่งหน้าที่ของเราเงินเดือนของเราจะสูงขึ้นได้อย่างไรเพราะถูกเขาตำหนนะิอันนี้ก็คืออรักระให้รักษาเอาไว้เมื่อเรารักษาหน้าที่การงานดีรักษาเงินนะก็อย่างที่หลวงพ่อว่าให้รักษาศพทรัพย์สม บ, บ, บัติที่ได้มาโดยชอบธทำนะให้รักษาเอาไว้แล้วก็เก็บรู้จักแบกให้รู้จักเก็บให้รู้จัก ใช่อันนี้ก็คืออราคาสัมปทากัรยาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามถ้าเพื่อนคนนี้เป็นยังไงถ้าทักศชวนไปในทางที่ไม่ดีเล่นการพนันกินเหล้าเมายาสุรานาลีถ้าเราขืนคบไปเราจะเสียหายอันนี้เราก็ต้องรู้จักเหมือนกันในการครบค้าสมาคมกับหมู่พวกเพื่อนนะกัรยาณมิตรตางสัมมาชีวิ ต, ตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่หนอกลวงเขาไม่ปล้นไม่ฮดไม่ขโมยของมาเลี้ยงชีวิตของเรา อันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วคือจริยธรรม ค, คือความประพฤติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเราทำอย่างนี้ได้แล้วผมพ่อว่าความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเรานะเป็นอันดับแรกแต่ว่าพวกเราใช้อิรุิกชุยแฉใช้ไม่รู้จักประมาณในการใช้พวกเราก็จะเดือดร้อนแน่นอนไม่ต้องสงสัยอย่างธรรมที่พระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วเมื่อ 2,000 กว่าปี พระพระเจจ้าพูดไว้แล้ว2 0 0 0กว่าปีท่านว่าตระกูลอันมั่งคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถาน4 1. 1. ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว 2. ไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำคล้า 3. ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ 4. ตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นพ่อเรือนแม่เรือนอันนี้หลวงพ่อจะพูดตั้งแต่ตระกูลอันมั่งคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถาน4ี่ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วนะ เงินคําทรัพย์สมบัติรถลาของเราหายเราก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจหายไปเรื่อยๆคนที่จ้องจะขโมยไปก็ขโมยไปเรื่อยผลในสุดเราก็เจ๊งล้มละลายได้ง่ายๆเพราะเราไม่รู้จักรักษาไม่มูลณะพัสดุที่ข้าคล้าก็คื อ, อ, อรถของเราเสื้อผ้าของเราบ้านเรือนของเราสมุดชุดสมบัตเราไม่ได้ดูแลรักษาปล่อยให้สมุดชุดสมบัตไปก็ความเสียหายหเกิดขึ้นก็ทําทให้ เราไร้ที่อยู่ได้ไง่ายๆเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตัวนี้สำคัญมากนะลูกหลานลูกหลานทุกๆคนนะคือเราเราเงินเดือนหนึ่งหนบาทอย่างนี้หนึ่มนบาททีนี้เราไปซื้อมอเตอร์ไซค์ตามไม่จริงเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อมอเตอร์ไซค์เราขี่จักรยานได้ไหมเราต้องรู้จักประมาณตัวเองไม่มีใครที่จะรู้ประมาณตัวเองยิ่งกว่าตัวของเรา ถ้าเราไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัตินั่นละ่ะความเกิดร้อนเข้ามาจุดนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยถ้าว่าเรารู้จักประมาณในการบริโภคแล้วเรารู้จักแบ่งรู้จักเก็บรู้จักตัวเองพูดง่ายเรารู้จักตัวเองคือรู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติเรามีเงินเดือนขนาดนี้ 7,000 บาทเราสตาร์ทขั้นใหม่เรากควรจะใช้จักรยานไปก่อนขี่ไปกลับ ก็ไม่เห็นจะเสียหน้าเสียตาไปตรงไหนเราก็รู้ว่าเราเงินน้อยไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเราถ้าเราไปขี่มอเตอร์ไซค์ล่ะ เ, เดือนหนึ่งเดือนละสามพันเนี่ยถ้าเดือนละสามพันแล้วเจ้านี้ยังเหลืออีกในสี่พันบาทเราพอใช้ใหม่เราก็ใช้แบบทุรักษ์ทุเลยังมีโทรศัพท์เข้ามาอีก เ, ออเงินค่าโทรศัพท์ซิมโทรศัพท์อีกเป็นเงินเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้มันคล้ายๆว่าเป็นเป็นดินคอกหางหมูทั้งนั้น ทำให้จิตใจของเราว้าเวทําให้จิตใจของเราทุกปันป่วนทําให้จิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมีนี่สินพลุพลังเข้ามาอันนี้เราแปลว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติถ้ารู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติเราจะต้องเข้ามาอยู่จุดนี้เรายืนดูเลยเรานิ่งอยู่กำหนดดูเลยว่าเราจะใช้อย่างไงเงินที่ได้มาของเราทั้งหมดเงิน78 00แบาทเงินห0ื่นบาทเงินส 0,000 บา ท, 30, บาทถ้าเราเป็น เงินแสนขึ้นมาเราก็ใช้ในระดับเงินแสนไม่ว่ากันถ้าเราได้ใช้มาระดับใหม่เราจะไปใช้แบบนั้นแปลว่าเราใช้เกินประมาณเราใช้เกินตัวมีแต่ความหายนะ์จะเข้ามาสู่ตัวของเราเป็นอันดับแรกผลที่สุดนั่นเราก็จะต้องทำในสิ่งที่ไม่ไมควรจะทำจะเกิดขึ้นทั้งคตทั้งโกงทั้งปนทั้งกี้ทั้งหลอกทั้งดวงอะไรใดทั้งหมดเพราะเหตุอหลรเพราะว่า เราไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติอันนี้แนหะจุดนี้ขอฝากไว้ให้ลูกหลานทุกๆคนนะเพราะหลวงพ่อเป็นในสถานที่ใดก็ตามหลวงพ่อจะเตือนในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าลูกหลานยุคนี้สมัยนี้เห่อเห่อด้านวัตถุมากเห่อทั้งด้านวัตถุเขามีต๊ะมอเตอร์ไซค์ก็จะมีกับเขาเขามีโทรทัศน์ก็จะมีกับเขามีวิดีโอรุ่นนั้นรุ่นนี้ก็จะมีกับเขาต่อมาก็มีพิก up มีรถยนต์มีรถเก่ง ผลที่สุดก็แข่งกันไปเรื่อยๆผลที่สุดเงินเดือนของเราไม่มีผลที่สุดกู้หนี้ยืมสินไปทั้งหมดเทนี่เขาประกาศอามาเงินเท่าไหร่จ้องไปเพื่อจะกู้หนี้ยืมสินพอกู้เขามาแล้วเทนี่นั่นแหละเทนี่พอเป็นหนี้เป็นสินเขามาพลุงพลังเงินเดือนไม่พอใช้เจ้าหนี้มาทวงหนี้จิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเสตุบๆ ต, ตมตอกนะสิ่งเหล่านี้พวกลูกหลานให้คิดดูก็แล้วกันนะหลวงพ่อท่า ลูกหลานทําไปอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อคิดว่าเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่ต้องสงสัยถ้าลูกหลานไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติหลวงพ่อเคยพูดกับในซีดีของหลวงพอ่อหลวงพ่อเคยพูดไว้ที่นั่นด้วยท่านสมัยนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีหลวงพ่อยังจําได้ท่านว่าจะปลดหนี้ครูทุกวันให้เขาก็ยังคิดอยู่ว่าเขาจะปลดหนี้ครูนะแต่หลวงพ่อว่าปลดหนี้นะมันปลดยากอยู่ถ้าปลดความโลภของคนลงได้ น, ะนั้นนดีที่สุด ถ้าปลดความโลภของครูลงปลดความโลภของทุกคนลงได้นั่นดีถ้าปลดหนี้ครูปลดหนี้มอเตอร์ไซค์แล้วไปเป็นหนี้ปิกอัพถ้าปลดหนี่ปิกอัพจะไปเป็นหนี้รถเกง๋งถ้าเป็นหนี้รถเก๋งญี่ปุ่นแล้วเป็นหนี้รถเกง๋งฝรั่งมันไม่มีที่สิ้นสุดไอ้คำว่าห น, นี้ตัวเนี้เพราะนั้นถ้าปลดความโลภของคนในชาติลงได้สอนให้รู้จักประมาณในการบริโภค แต่อย่าให้งอมืองอเท้าแต่ให้รู้จักให้รู้จักเก็บรู้จักหาให้รู้จักใช้ให้รู้จักแบ่งใช้นั่นแหละหลวงพ่อว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่ทว่าเาศรษฐกิจเพียงพออย่างที่ในหลวงท่านพูดเอาไว้อันนี้มีความหมายอย่างลึกซึ้งมากคล้ายๆก็ว่าให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้อย่าใช้เกินตัวถ้าเราเป็นเศรษฐีทำไม เราหาเงินได้วันละล้านอย่างนีถ้าเราใช้วรนละบารอันนี้ก็มันก็แย่เหมือนกันแปลว่าคนนั้นเศรษฐีคนนั้นเป็นขี้ตันีขีเหนียวคบไม่ได้แต่ถ้าว่าเราได้หาเงินได้วันละร้อยไปใช้วรนละพันอันนี้เวอร์เพราะงั้นใช้ไม่ได้คบไม่ได้อีกต่อไปเดี๋ยวจะพาไปติดหนี้ติดศินไปทําความชั่วด้มากมายหลายอย่างถ้าคนประเภทอย่างนี้ฮ เพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งไหนก็ตามถ้ามันเป็นสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งถ้าคนได้มากแต่ขี้เหนียวก็ไม่ดีไม่รู้จักแบ่งปันนะ่ะถ้าคนที่ได้ได้น้อยแต่ใช้ไม่รู้จักประมาณตัวก็ไม่ถูกเนี่ยเหตุเพราะเหตุนี้เองเพ ร, ะพระาะเพื่อไจ้าว่ารู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติให้มองดูตัวเองให้พวกเราลูกหลานทุกคนตั้งหลวงพ่อด้วยนะ่ะหลวงพ่อก็จะมองหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อจะไม่ให้เป็นหนี้เป็นศินใครเพาะงั้นจะใช้ยังไงหลวงพ่อก็จะไม่ให้เป็ น, น, ป น, น, นงง ห, ห น, นี้ใคร ถ้าเป็นนี่ก็จะต้องรีบใช้เพราะนั้นลูกหลานก็เหมือนกันอย่าอย่าไปใช้แบบลืมตัวให้รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นพ่อเรือนแม่เรือนอันนี้ก็สําคัญพ่อเรือนแม่เรือนถ้าว่าพ่อเจ้าเรือนก็แม่เจ้าเรือนก็ดีเมื่อแต่งงานกันมาแล้วนะทางฝ่ายผู้หญิงก็ชอบเที่ยวชอบเล่นชอบใช้หรือช่ยแฉกพอได้เงินมาแล้วก็มอบให้แม่แม่บ้านเป็น เป็นสมบัตินะ เ, เงินเดือนผัวมา 10, เมื่อหนึเงินเมียประมาณเจ็ดพันเอารวมซะกันมอบให้เมียเป็นเจ้าของสมบัติผลที่สุดเมียก็จะใช้ลุยชุยแฉกไปทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะเมียไม่รู้จักประมาณในในการใช้ยตั้งสตรีหรือบุรุษสนะตรีก็คือผู้หญิงบุรุษก็คือผู้ชายให้เป็นเจ้าของสมบัติทุศีนก็คือเป็นผู้ไม่มีศีลชอบเที่ยวชอบเตะ ชอบเล่นการพนันทุกอย่าง อ, อบา ย, ยมุกทุกอย่างเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิจเกียติข้านทําการงานนี่แหละคืออบา ย, ยมุกอันที้ถ้าว่าผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามหนักไปทางอบา ย, ยมุก อ, อย่างนั้นแต่สามีพันยาคู่นั้นมอบให้แก่พันยาอชอบเล่นการพนันชอบไปในอบา ย, ยมุกหรือพรรยามอบให้แก่สามี ที่ชอบเล่นทั้งอบายมุกครอบครัวนั้นไปไม่ยืดไม่ยืดแน่แน่พังแต่กระจุยไม่วันใดก็วันเพราะเหตุใรเพราะไม่มีอันจะใช่ผลที่สุดเป็นนี่เป็นศิลปพหลุนพหลังเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้แล้วสองพกว่าปีนันลูกหลานนะถ้าเราเอามาพิจารณาดูแล้วทันสมัยอยู่ตลอดเวลาตระกูลอันบ้างคลั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานศีลไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้ว ไม่มุรณะพัสดุที่ค้าคลา้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัตินะสมบัติเงินคำทรัพสมบัตินะเนะ่เพราะนั้นสิน่งเหล่านี้ให้ลูกหลานทุกคนอนะ่ที่นั่งอยู่ที่นี่นะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้เทนั้นคือนำแนวทางของพระพุทธศาสนามาแนะนำสั่งสอนลูกหลานให้เป็นแนวความคิดไม่ได้มาดูถูกเยียดหยามไม่ได้ มากระแนงกรแน บ, บุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่พวกเราทําใจให้เป็นกลางในการฟังนะแต่เมื่อฟังแล้วมีเหตุมีผลแล้วพวกเรานําไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงในการเป็นอยู่ของเราครอบครัวของเราพระธรรมคำสั่งสอน ห, อหลวงพ่อไม่ได้ไปแบ่งสรรปันส่วนกับพวกพวกเราท่านทั้งหลายความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายหลวงพ่อกขาไม่ได้ไปแบ่งเอาความสุขจากพวกท่านทั้งหลายอีก และนี้เป็นการแนะนําเป็นการชี้แนะเป็นแนวทางที่ ว, ว่าพวกเราพุทธบริษัทสี่นำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมากล่าวเพื่อจะให้นําไปปฏิบัติเดินทางไปในทางที่ถูกต้องความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดการเป็นอยู่การครองชีพสําหรับหมอ พยาบาลตลอดถึงพนักงานทุกๆคนโรงพยาบาลอำเภอนามโสมนานๆตลงพ่อจะได้มาพูดหลวงพ่อจำไม่ผิดคนหลายปีแล้วนะไม่ได้มาโรงพยาบาลแห่งนี้และก็พร้อมกันลูกหลานอย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นโรงพยาบาลก็มีเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นก่อนเขาจึงมาผลในสุด มาก็มาล้มหายใจอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มากต่อมากแล้ว เ, เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพนักงานจะไม่เป็นอย่างเขาใช่ไหมก็ไม่ควรจะคิดอย่างนั้นพวกเราทุกๆคนเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาในโลกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นได้ เวลาอยู่ต่อหน้าต่อการเกิดสนุกสนานเพื่อเพลนเดหาไปมาหาสู่กันเวลาพอจะตายจริงๆเกิดอยู่ในห้องเข้าไปในเงียบเก็บผลในสูดก็ตายไปทีละคนสองคนจากนั้นก็เผาศพกันทีละคนสองคนนั้นคนนั้น ต, า, ตายคนนี้ตายก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉนั้นคนเราเกิดมาแล้วหลวงพ่อเคยพูดเสมอเคยพูดในที่สถานที่ต่างๆว่ า, าพวกเราเกิดมาทุกคนห ย, ยกมาโทษเขาเขียนวีซ่ารอไว้แล้วนะ เขาเขียนเตรียมวีซ่ารอไว้แล้วนะอีกสักวันหนึ่งวันดีคืนดีเขาก็จะส่งวีซ่ามาให้เราในเมื่อส่งมาแล้วนะ่ะทุกคนก็จะต้องเดินทางต่างประเทศแน่นอนไม่ต้องสงสัยหลวงพ่อเนี่คนหนึ่งรอวีซ่าเขาอยู่เดี๋ยวนะี <c> ้ <oughs> อีกวันหนึ่งหลวงพ่อจะต้องรับวีซ่าเขาหลวงพ่อจะต้องเดินทางต่างประเทศลูกหลานทั้งหลายให้ไปส่งกันแล้วกันในวะันนั้นนะลูกหลานไปส่งส่งขึ้นเมนใช่ไหมไฟเผาเลยทีนี้ หลวงพ่ออิ่กัไปตามลําพังละวัน อ, อนั่นนะ่ะร่างกายกับเผาละ่ะถูกเผาละ่ะใจก็ไปแล้วัไปไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วทีนถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมพร้อมนะไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้พร้อมออพวกเราออกจากร่างไปแล้วนะเนี่ยเป็นผีตกทุกข์นะทีนี้เนี่ยเป็นผีเฮี้ยนเหมือนนั่นได้ก็เข้าค น, น, นแล้วก็สิงคนนี่ไปหลอกคนนั้นไปหลอกคนนี้เอกผีเฮี้ย น, น, นเหมื อ, กอนกันเถอะเพราะเหตุใดผีไม่มีบุญนะ ถ้าผีมีบุญถ้าตายพบออกไปเข้าสู่พอ ต, ตายแล้ววิญญาณออกจากร่างไปแล้วนั้นไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมไปได้เพราะฉะนั้นหลักของ พ, พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพิสูจนมาแล้วเมื่อ 2,000 กว่าปีนะ 2,000 กว่าปีที่โคลนต้นโพนะพระพุทธเจ้าพิสูจน์เรานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้า กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารัว่วหายใจเข้าหายใจออกรั่หายใจออ ก, ออกมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์จากนั้นเกิดญานัทสนะนเมื่อเกิดฌานขึ้นมาร ะ, ะลึกชาติผลหลังได้ถ้าตายแล้วศูนจะระลึกได้ยังไงเพราะพระเดจเจ้าระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเป็นอะไรเหมือนกับเมื่อวานเราผ่านมาเห็นไหมเมื่อวานเป็นอะไวันก่อนเป็นไงเดือนก่อนปีก่อนเป็นไงเราเกิดมากี่ปีนั่นแหละอดีต ระ ล, ลึกชาติเดือดรุกอย่างนั้นและเอานาคตอะไรสินี่พอถึงเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าระ ล, ลึกอนาคตได้จตุปะ ป, ะปะาแตยาดวันพวกนี้จะเป็นยังไงเล่ากันต่อไปเป็นยังไงวิญญาณจากไหนมาเกิดเคนคนนี้จากไหนมาเกิดเกิดแล้วจะไปที่ไหนต่ออีกพระพุทธเจ้าก็รู้อีกว่าจตุปะ ป, ะ ป, ะปะาแตยาดเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆท่านนะ <S <S ให้เชื่อพระพุทธเจ้า <S <S พระพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้วท่าว่พพาวพวกเรา ยังไม่เชื่ อ, อยังสงสัยจริงหรือเปล่าหลักพิสูจก็อย่างที่พระพุทธเจ้าพามิสูตนนี่แหละไม่มีไม่เป็นอย่างอื่นให้นั่งสมาธิแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เชื่อเฉยๆนะหลับหูหลับตาไม่เชื่อเฉยๆไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับคนตาบอดตาบอดมาแต่กาเนิดนะตาบอดมาแต่กาเนิดตรงนี้ไม่มีเหว่าเขาว่าเหวนะมีเหวนะไม่มีเหว่เหวนั้นก็ไม่ปฏิเสธคนตาบอดเหมือนกัน เมื่อคนตะบอดตกเหวมันก็คอหักตายได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสั่งสอนก็ไม่ไม่ว่าอะไรคนที่ตกนรกก็ตกไปนรกไม่เต็มง่ายเพราะนั้นแหละถ้าคนทําความดีความดีสวรรค์ก็ไม่เต็มง่ายอีกเหมือนกันรอรับพวกเราอยู่แต่ถ้าว่าพวกเราทํำกรรมชั่วกรรมชั่วก็รอรับพวกเราอยู่นรกไม่เต็มง่ายสวรรค์ไม่เต็มง่ายอ่ เต็มแต่คุกเมืองไทยกับเมืองไทยนะเมืองไทยมันจะล้นประเทศไทยพวกคนมันมากประชากรมากขึ้นนะอแต่คุกกดลดอีกล้นคุกกเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะให้พวกเราท่านทั้งหลายญาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะให้สังสมบุญกุศลเอาไว้นะอย่าประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนตายจริงๆเมือ่อไงแต่ความตายนี่แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นรอวีซ่ากันอยู่เดียวเนี่ยพวกนั้นพวกเราทุกๆท่ททานนะ วันนี้หลวงพ่อได้มาพูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่เบื้องต้นก่อนที่จะรับสิลหลวงพ่ออธิบายเรื่องศินห้าให้แก่พวกเราได้ศึกษาได้ฟังสินห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรจากนั้นก็หลวงพ่อได้มาเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลโรงรับโรงเรียนหลวงพ่อมีจุดยืนอย่างไรช่วยเหลือสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนกวดต่อชุมชนและสังคมอย่างไรจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับ การเป็นอยู่ของลูกหลานการทำงานพี่น้องประชาชนมีบุญคุณกับพวกเราอย่างไรพวกเขาเหล่านั้นได้เสียภาษีเป็นเงินเดือนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราเปรียบเทียบกับพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาของพวกเราในล่อยลบากกว่าลำบากกว่าพวกเรามากเพราะว่าเวลาเก็บใข้ได้กป่วยลูกเข้าโรงราโรงเรียนอย่างนี้ เขาก็เสียเงินควักกระเป๋าของเขาทั้งหมดแต่พวกเราทียงจะมีเงิน เ, เงินหลวงเข้ามาช่วย เ, เงินเข้ามาช่วยเหลือพวกเรามีมากแต่พวกเราให้หลวงพ่อเตือนอบอ ก, ล, กลูกหลานว่าให้รู้จักเมื่อได้เงินมาแล้วให้รู้จักบริหารจัดการในการใช้จ่ายตัวเองอันนี้คือจุดนี้สำคัญอย่าให้ฟุ่มเฟือยอย่าให้เหลือเฟืออย่าให้ลืมตัวให้รู้จักประมาณในการบริปโภค อย่างที่หลวงพ่อพูดว่าตระกูลอันมั่งคลั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานศีลตลอดถึงทิฏฐิธรรมมิกงแต่ประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันการส่องแสวงหาทรัพย์การรักษาทรัพย์การครบหมู่คบเพื่อนและการไม่หลอกลวงเข้ามาเลี้ยงชีวิตของเราอย่างนี้หลวงพ่อได้พูดให้แก่พวกเราเพื่อเป็นข้อคิดสรุปแล้วทั้งหมดแล้วสรุปที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดก็คือศีลและธรรมจริยธรรม ความประพฤติให้ดีงามสำหรับพวกเราถ้าพวกเราเดินตามแนวแถวที่หลวงพ่อได้พูดบางประเด็นนะพวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าพวกเราจะประสบความสุขความเย็นใจเบื้องต้นหลวงพ่อได้พูดถึงเดยอดบาลีขึ้นว่าอะโรคยาปรลมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งคือโรงพยาบาล เป็นที่รักษาโรคภยครัยไข้เจ็บของพี่น้องประชาชนพวกเราก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องเวลามีโรคภยครัยไข้เจ็บมีความทุกข์ขนาดไหนหน้ายิ้วคิว้วขมวดตั้งตัวเองและวญาติพี่น้องที่มาเกี่ยวข้องถ้าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยลูกเข้ามาเนี่ยก็น่าจ้อยงอยเงาถ้าลูกเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เข้ามาก็น่าจ้อยงอยเงาเพราะนั้นความเป็นโรคเป็นทุกข์ถ้าว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันเป็นเสด็จเป็นมีความสุขอย่างยิ่ง พวัะนั้นให้พวกเราได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บหลวงพ่อว่าเป็นบุญคุณของประเทศชาติหรือว่าเป็นบุญคุณของพวกเราและก็พี่น้องประชาชนที่เข้ามาบริการก็นับว่าเป็นผู้มีบุญเหมือนกันเด็กเข้ามาหาพวกเราเพวัะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายที่เป็นพยาบาลเป็นหมอหรือเป็นบุรุษรพยาบาลที่เกี่ยวข้องก็ให้เวลาตอนรับขับสู้ เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะหลวงถือว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นลูกหลานของหลวงพ่อทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานทุกคน เ, เวลารับญาติยาดโยมลูกหลานของหลวงพ่อให้พวกเรายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันอย่าหน้าบูดหน้าบึ้งใส่กันนะถ้ า, าว่าพวกเราหายจากโรคภัยไข้เจ็บดีแล้วนั่นแหละความสงบความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับกลุ่มของพวกเราอยาว่าอโรคยาปรมาลาพา ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดนแนวความคิดชี้แนะแนวทางสำหรับพวกเราลูกหลานทั้งหลายนะก็เห็นว่าพอสมควรด้วยอำนาจคุณพระษีะรัตน์ไรเอาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองลูกหลานขอให้มีความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรม ขอขอให้สำเร็จสมความมุ่ง ม, มาตนปราถนาทุกประการ